จุด 3 เพื่อนลูกรักของแม่วันนี้แม่อยากเขียนเรื่องเพื่อนให้ลูกเก็บไว้ อยู่เหนือเชื้อชาติมิตรภาพที่ดีจะข้ามได้มิตรภาพแท้อยู่ มั่นใจให้ความรู้สึกที่มั่นคงลูกลองคิดดูสิเวลาที่เราจากบ้านไปไกลเมื่อ ยากทั้งการแสวงหาและการรักษาไว้ความคนนี้คุยได้เพื่อนและเราเองก็ต้องเป็นที่ไว้วางใจของเขาด้วยอาจเกิด ไม่ใช่ต้องจริงใจต่อกันคบธรรมชาติของชีวิตต้องมีเพื่อนเพื่อนคือเงาชีวิตเดียวต้องจริงใจต่อกันแม่มักกล่าว ซึ่งแต่ลูกเอ้ยไม่ความดีของเพื่อนอาจดีเพียงเพราะเขาไม่ขัดใจเราแต่อะไรจะเกิดขึ้นเอ๋ยแม่เองก็มีพ่อเป็นเพื่อนพ่อก็มีแม่เป็นเพื่อนชีวิตเราเป็นเงาของกันและกันใช้ชีวิตร่วมกันสติ แบ่งเบาภาระกันให้ความเห็นอกเห็นใจกัน ได้มาแล้วลูกจะสบายใจและมีความสุขที่สุดยิ่งไปกว่านั้นลูกควรคิดด้วยว่าจะเขาก็ดูเราใจและมีความสุขที่สุดยิ่งไปกว่า นอกจากการคบเพื่อนยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญคือการรักษาความเป็นแต่ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะผลประโยชน์หรือไม่ก็ทิฐิมานะที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองพระจึงสอนให้ระมัดระวังความอยากความ ก็อยากคิดว่าเขาเป็นศัตรูกับเราหรืออยากแสดงตัวเป็นศัตรู ที่เท่าการคิดจะไปมุมไหนเวลาอันตรายที่สุดเราเพราะคนเรามักลืมตัวได้ง่ายให้เตือนว่ามาไหนตำแหน่งฐานะการงานงาน เพื่อนหน้าตาเกี่ยวหล่อสวยการศึกษาแม่เองเป็นห่วงเรื่องนี้มากหรือสูงเสียเพื่อนดีคนหนึ่งไปเพื่อนมุ่ง ความสําเร็จขอให้นอนหลับเป็นสุขจากดวงใจของแม่